วันนี้มาขึ้นมิรินท่าปัญหาที่เจสัทธรรมอันตรธานปัญห า, าสัทธรรมอันตรธานเนี่ยก็คือความอันตรทานแห่งพระสัทธธรรมนั่นเองสัทธธรรมะบวกอันตรทานก็แปลว่าการอันตรทานไปแห่งสัทธธรรมพระเจ้ามิรินได้กลาบเรียนถามพระนาคเสสนว่าพระคุณเจ้านาคเกษน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิตคำนี้ไว้ว่าปันเจวานิอานันทวัสสตานิสัตรรมโมทัสติดูก่อนอนุนบัดนี้พระสัตธรรมจกตั้งอยู่ได้500ปีเท่านั้นนะจากข้อความที่กล่าวไปแล้วเมื่อวานว่าถ้ามีการบวชพระภิกษุณีคือถ้าผู้หญิงเข้ามาบวชศาสนาจะดำรงอยู่ได้ ห้ารอปีถ้าพระภิกษุณีถ้าผู้หญิงไม่บวชศาสนาจะดำรงอยู่พันปีทีนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงครูธรรม8ประการการที่พระพุทธเจ้าแสดงครูธรรม8ประการนั้นศาสนาก็ถือว่าคงเดิมเนี่ยการที่เพราะพระองค์บัญญัติครูธรรม8ปประการเรียกว่าศาสนาคงเดิมเหมือนกันเถอะเพิ่มไปอีกคือคือเหลือพันปีตามเดิมแต่ถ้าไม่บัญญัติครูธรรมเนี่ยจะหมดภายใน ห้าร้อยปีแต่นี้หมายถึงพระอรหันตปฏิสัมพิธาเนี่ยนะทีนี้อันนี้ข้อความหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่นานเท่าไหร่หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้พุทธพจน์บทนี้นะไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าสักไม่เกินห้าปีเนี่ยนะประมาณห้าปีหลังตรัสรู้ทีนี้ตอนที่พระองค์จะปรินิพานในสวัยปรินิพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อันสุพัทธะปริภาชกถามปัญหาพระองค์ก็ได้ตรัสอีกว่าเอเมจสุพัทธะพิขุสัมมาวิหรยงอสุนโยโลเก อ, อสุนโยโลโกโอรหันเตหิอสรดูก่อนสุพัทธะพิษุเหล่านี้พึงเป็นอยู่โดยชอบไจโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย บอกว่าสองคำนี้เนี่ยนะคำหนึ่งบอกว่าสัตยธรรมจักตั้งอยู่500ปีกับอีกคําหนึ่งบอกว่าถ้าปฏิบัติชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์คําที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้เป็นคําที่หาส่วนเหลือไม่ได้คําที่ตรัสไว้โดยไม่มีส่วนเหลือคําที่ตรัสไว้นี้เป็นคําพูดโดยนิปรายแปลว่าแสดงตรงตรงกล่าวตรงตรงพูดตรงตรงว่างั้น พระคุณเจ้านากเกษตถ้าหากพระตถาคตตรัสว่าดูก่อนอนุนบัดนี้พระสัตว์รมจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังนี้ก็ต้องเป็นคำพูดที่ผิดถ้าหากว่าพระตถาคตตรัสว่าโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังนี้จริงไซ ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าดูก่อนอโ น, นุนบัตรนี้พระสัตย์ธรรมจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นดังนี้นั้นก็จะต้องเป็นคําพูดที่ผิดอีกคําหนึ่งบอกว่าศาสนาอยู่ได้พระสัตยธรรมดํารงอยู่ห้าร้อยปีอีกพุทธพจน์อีกบทหนึ่งพระองค์บอกว่าโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สองคำนี้ฟังแล้วมันขัดกันมากเหมือนถ้าพูดถ้าคําใดถูกอีกคําหนึ่งต้องผิดทันที ปัญหาแม้ข้นี้มีสองเงื่อนเป็นของยุ่งยิ่งกว่ายุ่งยากยิ่งกว่ายากเป็นปมยิ่งกว่าเป็นปมปัญหานั้นตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงแสดงพลังแผ่ไปแห่งยานของท่านในปัญหานั้นนะเรียกว่าให้แผ่ปัญญาแผ่ยานศาสตร์ส่องเข้าไปในสิ่งเหล่านี้เถอดดดมังกรผู้อยู่ในมหาสาครแสดงพลังแผ่ไปในมหาสาครนั้นฉะนั้นเถิด เร ว, ว่าให้แพ่กำลังดุดมังกรมังกรก็คือพญายนาคกันนะี่พระนาคเกษก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาประิฏพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รตรัสคำนี้ไว้ว่าดูก่อนอนน์บัตรนี้พระสัตวรรมจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นดังนี้จริงและ ในสมัยใกล้เสด็จดับขันปริเนพานพระองค์ก็ได้ตรัสแก่สุพัทธปริภาชกว่าดูก่อนสุพัทธภิกษุเหล่านั้นพึงเป็นอยู่โดยชอบสายโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอระหันต์ทั้งหลายดังนี้ก็จริงพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์ทั้งสองพระพุทธพจน์นนะขอถวายพระพรแต่ว่า คำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนั้นนะเป็นคำที่มีอัตตต่างกันด้วยมีพยัญชนะต่างกันด้วยสองคำไม่เหมือนกันใช้คำก็ไม่เหมือนกันความหมายก็แตกต่างกันไม่ได้เหมือนกันหรอกจริงก็เลยไม่ขัดกันคำพูดทั้งสองอย่างนี่มีคนละความหมายคนละพยัญชนะและคนละความหมายมันจะขัดกันได้อย่างไงว่างเ น, นเพราะอะไรเพราะคำหนึ่งเป็นคำกาหนด อายุพระศาสนาอีกคำหนึ่งเป็นคำยกย่องการปฏิบัติที่บอกว่าพระธรรมดารงอยู่ได้ห0 0รปีอันนี้เป็นคำกําหนดอายุอีกคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้เป็นคำที่ยกย่องการปฏิบัติก็คำทั้งสองนั้นแยกห่างกันและกันคนละเรื่องกันเลยคนละอย่างกันเลย ขอถวายพระพรคําทั้งสองนั้นแยกห่างกันและ ก, กันเหมือนฟ้าแยกจากดินเหมือนนรกแยกจากสวรรค์เหมือนกุศลแยกจากอากุศลเหมือนสุขแยกห่างออกจากทุกฉะนั้นคําพูดนี้มันไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ใกล้กันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะแต่ว่าถ้าคนไม่เย็บคายก็บอกเอ๊ะมันต่างกันตรงไห น, นไม่เข้าใจขอถวายพระพรถึงกระนั้นเนี่ยนะ คือมันห่างกันขนาดนี้พระองค์ก็ยังรับสั่งถามนะแต่คำถามของพระองค์ก็อย่าได้เสียเปล่าไปเลยไหนๆก็ถามแล้วนะคือเนื้อหาของคำถามเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันมันไม่เข้ากันเรกเอามาเข้ากันได้ยังไงแต่ว่าไหนๆก็ถามแล้วก็ไม่อยากให้เสียประโยชน์อาตมาภาพจากถวายพระพรวิสัชนาแก่พระองค์เปรียบเทียบกันโดยรถ คำที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนุนบัตรนี้พระสัตย์ธรรมจักตั้งอยู่ได้ห้า้อปีเท่านั้นดังนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความสิ้นไปสิ้นไปก็คืออายุของพระาศาสนาก็กำหนดถึงส่วนที่เหลืออยู่อย่างนี้ว่าดูก่อนอนุน์ถ้าหากว่ายิงทั้งหลายไม่บวชเป็นภิกษุณีพระสัต์ธรรมจักตั้งอยู่ได้ 1,000 ปีดูก่อนอนุน บัดนี้พระสัตธรรมจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นอันนี้หมายความว่าถ้าพระองค์ไม่บัญญัติครูธรรมแต่เมื่อบัญญัติครูธรรมแล้วก็คงเดิมเหมือนกันขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสอย่างนี้ชื่อว่าตรัสถึงการอันตรธานแห่งพระสัตธรรมหรือตรัสปฏิเสธการตรัสรู้ธรรมกระนั้นหรืออย่างนี้นหาม่ได้พระคุณเจ้าคําพูดที่พระองค์บอกว่าบัดนี้เนี่ยพระสัตธรรมดารง อยู่ได้ห0 0พันปีเอ่อห้าร้อปีเนี่ยคาพูดนี้ปฏิเสธว่าตรัสถึงการอันตรทานแห่งสัตรธรรมหรือตรัสปฏิเสธการตรัสรู้ธรรมใช่ไหมอ่านะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ปฏิเสธว่ า, วาสัตรธรรมจะหมดจากโลกจะซูนไปจากโลกโดยประการทั้งปวงหรืออะไรพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นทั่ทวีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าพระสัตรธรรมเนี่ยนะ ดำรงอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พระองค์เนี่ยเชื่อว่าตรัสถึงการอันตรทานแห่งพระสัตธรรมหรือตรัสถึงการอันตรทานแห่งการตรัสรู้ธรรมกระนั้นหรือหาม่ได้พระคุณเจ้า พนาเกษรก็กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรจึงเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประกาศอายุพระศาสนาส่วนที่เสื่อมอส่วนที่เสื่อมหายไปแล้วก็ทรงกําหนดแสดงอายุพระศาสนาส่วนที่ยังเหลืออยู่ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้ทําของหายคนหนึ่งถือเอาของที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปแสดงก่คนอื่นว่าของของข้าพระเจ้าหายไปเท่านี้ คือส่วนที่เหลืออยู่ดังนี้อันนี้คือส่วนที่เหลืออยู่สมมติเรามีเงินอยู่พันหนึง่งแล้วมันหายไปห้าร้อยอ่ะก็เลยมาแสดงให้เห็นว่านี้เหลือแค่ห้าร้อยอ่ะมันหายไปแล้วห้าร้อยขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าเมื่อทรงสแสดงอายุพระาศาสนาที่เสื่อมหายไปแล้วก็ตรัสอายุพระาศาสนาส่วนที่ยังเหลืออยู่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าดูก่อนอนอน์บัตรนี้พระสัตยธรรมจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นดังนี้ฉะนั้น จึงเป็นคํากําหนดอายุพระศาสนาคือคําพูดอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธนิย่าอื่นๆทั้งหมดนะเพียงแต่บอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างว่าพระองค์เนี่ยเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์อยู่พันหนึ่งเปรียบเหมือนนะแล้วเอาไปทำหายห้าร้อยเหลืออีกห้าร้อยถาว่าทรัพย์ในโลกหมดเลยใช่ไหมทรัพย์ศูนย์ไปจากโลกเลยใช่ไหมไม่ใช่เพียงแต่ว่าทําของหายเท่านั้นเองฉันใดคือถ้าพระองค์ไม่บัญญัติคุรุธรรมก็เหมือนกับว่าไม่เย็บ ไม่เย็บไอรอยรั่วที่จะทำทรับเสื่อมมันนะฉันนั่นแหละอันนี้อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งที่บอกว่าส่วนคำตรัสยกย่องสมณะทั้งหลายแก่สุภัททะปริภาชกในสมัยใกล้เสด็จดับขันปรินิพานที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนสุภัทภิกษุเหล่านี้พึงเป็นอยู่โดยชอบใจโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้ อันนี้เป็นคำที่แสดงยกย่องการปฏิบัติขอพระองค์งท ร, ง, ร ง, งทรงกระทาคำกำหนดอายุพระศาสนาและคำยกย่องการปฏิบัติให้มีรถเป็นอันเดียวกันเถิดถ้าหากว่าพระองค์ทรงมีความพอพระทัยอาตมาภาพก็จักถวายพระพรกล่าว ทำให้มีรถเป็นอันเดียวกันขอพระองค์ยาทรงมีพระหารถยวุ่นวายขอทรงตั้งพระทัยสดับด้วยดีมณสิการด้วยดีเถิดขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าสระแห่งหนึ่งในโลกนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแม่น้ำใหม่ๆคือน้ำใหม่ๆเนี่ยสูงสเสมอขอบปากเป็นสระที่เขาขุดตัดเป็นสระกลมเมื่อสระนั้นยังไม่ทันได้เหือดแห้งเลยก็มีฝนหาใหญ่ตกหนักเหนือสระ ติดต่อสืบเนื่องกันไปขอถวายพระพรน้ําในสระนั้นพึงถึงความสิน้นไปพึงถึงความเหือดแห้งไปหรือไรหนอหมายค่ะว่าถ้าฝนตกอ่ะสระนี่ขุดไว้เป็นอย่างดีใช่ไหมเสร็จแล้วก็น้ํามันก็แห้งมาลงมานิดหนึ่งแล้วฝนก็ตกใส่แห้งมานิดหนึ่งฝนก็ตกใส่แล้วฝนตกใส่มาเรื่อยๆเนี่ยนะน้ํามันจะแห้งไปหมดเลยใช่ไหมหาม่ได้พระคุณเจ้า เพราะไรหรือขอถวายพระพรก็เพราะว่าฝนตกลงมาติดต่อกันพระขุนเจ้าทนาเกษรก็เลยกล่าวขอถวายพระพอรอุปมาฉันใดอุปไมย ก, ก็ฉันนั้นเหมือนกันสระใหญ่คือพระศาธรรมอันอันเป็นพระศาสนาอันประเส ร, ริฐของพระชินวรวุทิเจ้าก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ําใหม่ที่สะอาดปราศจากมลทิน อเป็นน้ําที่ประกอบไปด้วยอาจาระคุณศีและคุณมีข้อปฏิบัติทั้งหลายดํารงอยู่สูงส่งคุณธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ครอบงําภวกรพรมนันะคุณธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยนะถือว่าเป็นคุณธรรมที่ครอบงําแม้กระทั่งเนวสัญญาณาสัญญาญาตนาพะพวกรพรมหมายถึงเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเพราะเป็นธรรมที่กล่าวถึงโลกุตระธรรม ถ้าหากว่าภิกษุผู้เป็นพระพุทธบททั้งหลายเพ่งทำฝนหาใหญ่คืออาจาระคุณสีและคุณข้อปฏิบัติทั้งหลายให้ตกลงมาติดต่อกันคือหมายคําว่าปฏิบัติคุณธรรมดังที่กล่าวไปแล้วขาดสายพัะไอการปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับฝนที่ตกบนสะใหญ่คือพระสัตวธรรมนั้น การกระทาอย่างนี้จะเป็นเหตุให้สาใหญ่คือพระศาส ร, รมอันเป็นศาสนาอันประเสริฐของพระพุทธของพระชินวรพุทธเจ้าตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานและโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาอัธยาธิบายดังกล่าวมากรณีจึงตรัสว่าดูก่อนสุภัททะ ภิกษุเหล่านี้พึงปฏิบัติอยู่โดยชอบใจโลกก็จะเป็นโลกก็เป็นอันไม่ว่างจากพาหันทั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพรเมื่อไฟกองใหญ่กำลังลุกโผลงอยู่บนแผ่นดินนี้บุคคลก็ยังเอาย่าแห้งไม้แห้งก้อนโคมัมใส่เข้าไปติดต่อกันไปขอถวายพระพรกองไฟใหญ่นั้นพึงมอดดับหรือหนอ พระเจ้ามิลินก็บอกว่าหาม่ได้พระคุณเจ้ากองไฟนั้นมีแต่จะโผลงยิ่งลูกโลงยิ่งยิ่งขึ้นไปเสียเท่านั้นมีแต่จะส่องสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปเสียเท่านั้นพระนาเกษตก็กล่าวว่าขอถวายพระพร อ, อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นแม้พระาศาสนาอันประเสริฐของพระชินวรนผู้แตเจ้าก็ลูกโผลงรุ่งเรืองด้วยอาจาระคุณคือศีลคุณ ข้อปฏิบัติทั้งหลายส่องสว่างไปในหมือนโลกธาตุขอถวายพระพรถ้าหากว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพุทธบุตรพึงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการไม่ประมาทบากบั่นเป็นประจำพึงเกิดชันทะศึกษาในศิคาสามพึงทำจาริตสินให้เต็มเปี่ยมเสมอไซข้อนี้ก็จะเป็นเหตุให้พระาศาสนา อันประเสริฐของพระชินวรมุธเถ้าตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานยิ่งยิ่งขึ้นไปและโลกก็เป็นอันโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาอัธถธิบายดังกล่าวมากรณีนี้จึงได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนสุพัทธะพิสษุน์เหล่านี้พึงเป็นอยู่โดยชอบใจโลกก็เป็นอันไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลา ย, ยานะคือถ้าเปรียบเหมือนอย่างว่า ทำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะก็เหมือนกับพระองค์เนี่ยหาฟืนหากองไฟหาอะไรมาสมสมสมสมสมส ม, สมแล้วไฟก็ลุกพลงขึ้นลุกๆุก ล, ก ล, ก ล, กลกุปกติแล้วถ้าไม่เพิ่มถ้าไม่มีการเพิ่มเชื้ออายุของไฟเนี่ยพอไหมไปถึงระดับหนึ่งแล้วจะมอดแต่ถ้าตั้งคาถามว่าถ้าเติมไฟอยู่เรื่อยๆใส่ไฟอยู่เรื่อยๆเติมฟืนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันจะมอดไหมบอกไม่มอด มีแต่จะสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นพันเอกคำพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าถ้ามีการปฏิบัติชอบเหมือนกับการเพิ่มฟืนให้กองไฟกองไฟยังไงก็ไม่ดักไม่มอดมีแต่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่พระองค์เล็งแล้วละว่าไม่มีใครเอากองไฟมาใส่แล้วขอใัยไม่มีใครขนฟืนมาใส่พระองค์ก็เลยบอกว่ามันจะหมดไฟนี้จะหมดเพราะไม่มีคนขนฟืนมาใส่เนี่ยนะพันธ์ศาสนาที่หมดไปจากโลกเพราะไม่มีใครปฏิบัติตาม ไม่ใช่ว่าเป็นคำสอนที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนดีเป็นคำสอนที่นําออกจากโลกแต่ผู้ที่จะปฏิบัติตามคำสอนไม่มีเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าสะหญ่ที่ขาดฝนนะนะเปรียบไม่ฝนไม่เพิ่มมาใส่มาใส่มันก็แห้งสิฉันใดพระศาสนาถ้าไม่มีอาจาระคุณเมื่อไม่มีการประพฤติปฏิบัติตามยังไงศาสนามันก็เสื่อมเพราะไม่มีคนปฏิบัติตาม อย่างที่พระองค์บอกว่าทางมีอยู่ผู้บอกทางมีอยู่ถ้าไม่มีใครไปตามจะว่าไงอ่ทางนั้นก็ถือว่าในที่สุดมันก็รกชัดอ่ะเพราะไม่มีคนเดินตามแต่ถ้าทางที่มีผู้บอกมีอะไรมีคนเดินไปอย่างสม่าเสมอยังไงทางนี้ก็ยังเป็นทางนำเนินไปเรื่อยๆแต่พอไประดับหนึ่งคนจะเลิกปฏิบัติตามไม่ใช่ศาสนาไม่ดีแต่แต่ว่าชนที่เกิดมาในยุคหลังๆบุญน้อยที่จะปฏิบัติตาม คำสอนพระพุทธเจ้าอย่างว่าเหมือนกับว่าในดินเนี่ยขุมทรัพย์มีอยู่แต่ทําไมคนมันไม่มีทรัพย์ใช้อ่ะเพราะเขาไม่มีบุญที่จะดึงทรัพย์เอามาใช้ฉันใดพระพุทธศาสนาก็คืออริยทรัพย์เมื่อยุคหลังๆไม่มีบุญก็เลยไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนอริยทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นเมื่อไม่มีศรัทธาเป็นต้นศาสนาก็เสื่อมอันตรธานนะนะอย่างแม้กระทั่งว่าถ้าใครที่เป็นนักว่ายเจดีย์พอสมควรเนี่ย ไปบางแห่งเจดียด์เนี่ยไม่ได้รับการบูชาบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่มีการดูแลไม่มีข้อวัดปฏิบัติเลยอะไรเลยเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าศรัท ธ, ธาของเขาที่มีต่อพระพุทธเจ้าก็ลดลงไปศรัท ธ, ธาที่มีต่อพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็แทบจะเรียกว่า ข้างนอกปกนี่เก่าแก่มากแต่ข้างในเนี่ยกระดาษที่พิมพ์กันไว้ก็ยังติดกันเป็นพืชตามเดิมเป็นต้นอันนี้ก็ประกาศว่าศาสนาจักรรุ่งเรืองได้อย่างไรเนี่ย น, นะเพราะว่าไม่มีการปฏิบัติตามศาสนาเสื่อมเพราะไม่ใช่คําสอนไม่ดีแต่เพราะไม่มีการปฏิบัติตามถ้ามีการปฏิบัติตามพระองค์ตรัสคำว่าอยู่โดยชอบคือปฏิบัติตามมารยมาทอันประกอบไปด้วยองค์แปดอย่างสมบูรณ์เต็มเปี่ยมถ้าทําได้ตามนั้นจริง อริยผลอริยมรรคอริยผลทั้งหลายก็มีแต่เมื่อไม่มีใครปฏิบัติตามล่ะเมเมื่อไ ม, มไม่มีใครปฏิบัติตามจะเป็นไปได้อย่างไรนั่นพระองค์ก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าภิกษุเนี่ยนะปฏิบัติด้วยมีคุณสมบัติคือองค์แห่งผู้อยู่ด้วยความเพียรห้าประการไม่ประมาทบาปบันปฏิบัติเป็นประจำศึกษาสิกขาสามทจารีตให้เสมอ ถ้าอย่างนี้แล้วศาสนาไม่เสื่อมแน่นอนแต่ก็มาดูคุณสมบัติพอมาดูคุณสมบัติตาบเราจะรู้เลยไม่น่าศาสนาเสื่อมเพราะหาผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ยากในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสี่ที่กล่าวถึงองค์แห่งพิกษุผู้ประกอบความเพียรหรือองค์แห่งพิกสุที่ควรบําเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้ต้องมีคุณสมบัติหมครับว่าถ้าเขาจะรับสมัครอะไรสักอย่างหนึ่งก็ยังมีคุณสมบัติใช่ไหมที่จะรับสมัครเข้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้ ชั้นใดเช่นสมัครรับราชการรับอะไรสักอย่างก็ต้องมีองค์องประกอบนี้ก็เหมือนกันผู้ที่สมัครเป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าต้องมีองค์หประการนะสมัครเป็นพุทธบุตรนะบุตรของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอารหันเนี่ยนะหรือพระระยะบุคคลองห้าคืออะไรพระองค์ตรัสไว้ในประธานนยังขสูตรอังคุตระนิกายปัญจการนิบาศบ่าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตอันนะี คือไม่ได้สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่กรบพี่เดียวนะคือรู้จักพระตถาคตเป็นอย่างดีว่าพระองค์เป็นพระอารหันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองความเข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธคุณไม่ได้สงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวไล่ไปเรื่อยอรหันต์สงสัยไหมไอ้คำว่าไม่สงสัยนี่ไม่ใช่เชื่อแบบโง่งเขานะไม่ใช่คือเข้าใจหมดแหละ สัมมาสัมพุโทโธก็เข้าใจละเอียดเป็นอย่างดีทะลุโปร่ปงหมดวิชาจารณะสัมปันโนวิชาแต่ละอย่างมันเป็นยังไงจารณะแต่ละข้อความหมายกว้างขวางแคบลึกซึ้งขนาดไหนเนี่ยนะสุขโตไปดีไปไหนไปยังไงไปด้วยข้อปฏิบัติอะไรโลกวิถีพระ อ, องค์รู้จักโลกกี่ประเภทโลกไหนสังขารโลกสัตว์โลกโอกาสโลกมันเป็นยังไงเนี่ยนะคือมีความเข้าใจในพระพุทธคุณเป็นอย่างดี อนุตโรโุริสธรรมสารติอ น, นะพระองค์เนี่ยไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในบรรดาคุณธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรพระองค์นั้นเป็นศาสดาฝึกหรือศาสดาที่นำพาสัตว์ทั้งหลายข้ามจากวัะสงสารอย่างไรพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรอ น, นะพระองค์มีกําลังอย่างไร แล้วก็พระองค์นั้นเป็นผู้จำเนกแจกแจงพระธรรมรัตนะอย่างไรพระพุทธกิจพระพุทธคุณทั้งหลายที่พระองค์ทรงประพฤติทรงปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรอันนี้อันหนึง่งคือเชื่อในในใ น, ในความประพฤติของพระพุทธเจ้าอย่างที่สองมีความรู้มีความเข้าใจในคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างดีสวากขาโตพระคาวตาทำโมไม่สงสัยในคําสอนเลยทุกบททุกพยัญชนะทุกอักขระว่าพระองค์ตรัสผิดตรัสพลาด ความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนเข้าใจอย่างดีเนี่ยนะทุกทุกสูตรไม่มีสงสัยแม้แต่สูตรเดียวเป็นต้นอันนี้เรียกว่ามีคุณสมบัติข้อที่หนึ่งเรียกว่าผู้มีศรัทธาอย่างที่สองอันนี้เป็นผู้มีอาภาษ์น้อยมีทุกน้อยถึงถึงพร้อมด้วยไฟธาตุบ่มกายดีไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนปานกายไม่ร้อนเกินไปปานกลาง พอเหมาะสมแก่การปรารบความเพียรอันนี้ข้อสองนี่แปลว่าคนสุขภาพดีเยี่ยมแทบไม่รู้จะคําว่าป่วยเลยว่างั้นแะไม่รู้ว่าป่วยมันเป็นยังไงเนี่ยนะสุขภาพดีเยี่ยมหมดเนี่ยนะระบบสุขแปลว่าถาธาตุไฟในร่างกายดีแปลว่าสุขภาพส่วนอื่นดีหมดเนี่ยนะแล้วคนสุขภาพดีสาเป็นผู้ไม่หลอกลวงไม่เสแสร้งเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระาศาสนาหรือภาษาสระสสและวินยูชน ผู้เป็นเพื่อนสะพรมจันท ร, ร์ทั้งหลายคือเป็นคนที่เรียกว่าตรวจสอบได้ไม่มีข้อลี้ลับเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่มีความสุดจริตอย่างดีเยี่ยมตามธรรมวิไนเนี่นะข้อ4เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพียรเพื่อทำกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย คุณสมบัติข้อสีนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาก็คือเป็นคนที่มีความฝักใฝ่ที่ที่เพื่ออริยมรรคโดยส่วนเดียวเนี่ยน ะ, ะไม่ทิ้งในการเจริญความเพียรเพียรทุกขณะบางแห่งเ้าเรียกว่าปะหิตาโตเนี่ยนะสละอะไรในร่างกายและชีวิตมุ่งจิตเพื่อคุณธรรมระดับสูงตลอดเวลาเพื่อมรรคเพื่อผลอยู่ตลอดเวลาพันไม่ทอดทุระในการเจริญอริยมรรคเลย ข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อสุดท้ายคือมีปัญญาด้วยปัญญาที่สามารถรู้ความเกิดและความดับแห่งอุปาทานขันหด้วยปัญญาอันประเสริฐสามารถทิมแทงกิเลสเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบข้อนี้นี่ก็คือความสามารถระดับอุทยพยาญานนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาคืออุทยพยัญานนี่ก็ดีก็ดูคุณสมบัติถ้ามีดังกล่าวแล้วเนี่ยนะ 1,2,3,4,5 สสาสี่ห้าศาสนาจะเสื่อมได้ไหมถ้ามีคุณสมบัติของหนึ่งศรัทธาทราบซึ้งในพระพุทธคุณเนี่ยทราบซึ้งเป็นอย่างดีพระธรรมคุณก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งสุขภาพก็ดีเยี่ยมเป็นคนตรงเปิดเผยแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเพียรเนี่ยนะเป็นคนที่มีวิริยะอย่างแก่กล้าสุดท้ายพื้นฐานระดับสติปัญญาเนี่ยอุทยพย า, ยาน รู้เหตุเกิดโดยอาการยี่สิบห้ารู้ความดับไปแห่งอาการยี่สิบห้าความเกิดขึ้นแห่งสังสารวัตเป็นอย่างไรความดับแห่งสังสารวัตทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรเมืม่อมีความรู้มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดขนานี้เนี่ยนะถามว่าพระสัทธรรมเป็นต้นจักเสื่อมได้ไหมก็ไม่เสื่อมรอกเลยนะทนในโลกนี้ ไม่ว่างจากพาระ้าหัน์ทั้งหลายอย่างแน่นอนถ้าหากว่ามีพระภิกษุคำว่าภิกษุคือผู้เห็นภัยในวะะัฏฏะที่มีคุณธรรมดังที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นความหมายนี่แลที่พระพุทธเจ้าหมายเอาดังกล่าวมากันนี้จึงได้ตรัสว่าดูก่อนสุภัฏภิกษุเหล่านี้พึงเป็นอยู่โดยชอบซใจโลกก็เป็นอันไม่ว่างจากพระ้าหันทั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพร บุคคลในโลกนีพ้พึงใช้ผงดินสอพองที่ละเอียดอ่อนขัดกระจกที่ขัดไว้แล้วเกลี้ยงกลา่าใสแวววาวปราศจากมลทินแล้วขัดไปเรื่อยๆขอถวายพระพรเปลือกตมขี้ฝุ่นขี้คลอันเป็นมลทินยังเกิดขึ้นที่กระจกนั้นได้หรือไรถ้าขัดอยู่เสมอเนี่ยฝุ่นละอองจะลงจับไหม เกิดไม่ได้รองพระกุณเจ้ากระจกนั้นก็มีแต่ปราศจากมนทินยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นนี่มาดูที่บอกว่าพระนาคเซนที่บอกขอถวายพระพรอุปมาฉั้นใดอุปไมยก็ฉันนั้นพระศาสนาอันประเสริฐของพระชินวรวุทธเจ้า เป็นธรรมชาติไม่มีมนทินตามปกติปราศจากขี้ฝุ่นมีขี้ใครอันเป็นมนทินคือกิเลสถ้าหากว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพุทธบุตรพึงใช้คุณเครื่องขัดเกลากิเลสเครื่องกำจัดกิเลสคืออาจารคุณสีและคุณข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายขัดเกลาพระศาสนาอันประเสริฐของพระชินวรพุทธเจ้าติดต่อกันไปไซ้าย ข้อนี้ก็จะเป็นเหตุให้พระศาสนาอันประเสริฐของพระชินวรมุทธเจ้าพึงตั้งอยู่ได้ตลอดกา ร, รยาวนานโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอาหารหันตั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาอัธยาที่บายดังกล่าวมาก น, นี้พระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนสุพัทธะภิกษุเหล่านี้พึงเป็นอยู่โดยชอบได้ไซโลกก็เป็นอันไม่ว่างจากพระอาหารหันตั้งหลายดังนี้ ขอถวายพระพรพระศาสนาของพระศาสดามีการปฏิบัติเป็นรากเงา่ามีการปฏิบัติเป็นเหตุเมื่อการปฏิบัติยังไม่อันตรธานก็ย่อมตั้งอยู่ได้อย่างนี้แหละหมายคําว่าถ้าหากว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกคนมีความเข้าใจคําสอนเป็นอย่างดีเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยถามว่าอะไรเป็นรากเง่าของคําสอนเมื่อทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีท่านบอกว่าอยู่ที่การปฏิบัติ แต่ถ้าถามว่าระหว่างการปฏิบัติกับปริยัติก็ต้องปริยัติก่อนคือถ้ามีปริยัตินั้นจึงจะมีการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติการตรัสรู้จึงจะมีได้พระเจ้ามิเินก็ถามแต่ว่าพระกุณเจ้านาเกษตรท่านกล่าวว่าอันตรทานแห่งพระสัทธธรรมดังนี้ใดอันตรทานแห่งพระสัทธรรมนั้น่ะเป็นไ น, นขอถวายพระพรอันตรทานแห่งพระสัทธรรมมีสามอย่างเหล่านี้แหล สอย่างอะไรบ้างได้แก่อธิคมอันตรธานความเลือนหายแห่งการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะปฏิบัติอันตรธานอันตรทานแห่งการเจริญสิกขาสาก็คือสิกขาสามการเจริญอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาลิงค์าอันตรธานก็คือเพศเนี่ยนะเสื่อมเครื่องหมายแห่งแสดงเพศก็คือหมดภาวะของนักบวชในศาสนา ขอถวายพระพรเมื่ออธิคมอันตรทานแม้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติ ด, ดีก็ไม่มีการตรัสรู้ธรรมคื อ, อปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ถึงระดับก็ตรัสรู้ไม่ได้นั่นนะคือการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าปฏิบัติไม่สมควรแก่ทำการบรรลุธรรมก็มีไม่ได้ท่านที่บอกว่าอาธิคมอันตรทานถ้าปฏิบัติดีแต่ถ้าปฏิบัติไม่สมควรก็ตรัสรู้ไม่ได้นั่นเอง เมื่อปฏิบัติอันตรธานศิษยาบทบัญญัติก็อันตรทานคือถ้าไม่มีการปฏิบัติตามเนี่ยนะหลักการที่ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วใครจะทําตามเพราะฉะนั้นเหลือแต่ลิงคะคือเพศเท่านั้นเมื่อลิงอันตรทานประเพณีความสืบต่อแห่งเพศบรรทึกชิตก็เป็นอันขาดสายไปเรียกว่าเพศนักบวชก็ไม่มีเครื่องแต่งองค์ของนักบวชก็หมดไปอย่างบางประเทศเนี่ยนะอย่างบางประเทศก็ เมื่อมีพิธีกรรมเท่านั้นจึงจะแต่งองค์ทรงเครื่องนักบวชเข้ามาทําพิธีกรรมพอทาพิธีกรรมเสร็จ ก, ก็ปกติเนี่ยนะเขาก็จะมีเป็นเป็นช่วงๆไปเมื่อมีอประเพณีศาสนาเขาก็ค่อยแต่งองค์แต่งตัวเนี่ยนะพระเจ้ามิลินก็บอกว่าท่านได้ทาข้าพเจ้าให้เข้าใจปัญหาได้ดีแล้วปัญหาที่กล่าวนี่เป็นหาที่ลึกซึ้งท่านก็ได้ทาให้ตื่นได้แล้ว ท่านหัดประวาธาให้พินาศได้แล้วทำให้หมรสมีแล้วท่านได้มาถึงความเป็นผู้องอาจในหมู่คณะอันประเสริฐแล้วในอัตตกรฐานหน้าหนึ่งอสาสิบห้ากล่าวถึงว่าเมื่อปฏิบัติอันตรฐานน่นะปริยัติคือพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นก็ย่อมเป็นอันตรทานไปตามลำดับจนแม้ศิขาบททั้งหลายก็หาผู้ทรงจำไว้เพื่อประโยชน์แก่การสมาทานรักษาไม่ได้ เพราะท่านเหล่านั้นท้อใจว่าการสมาทานรักษาไปก็ไม่อาจทำให้บรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะอย่างสมัยนี้เห็นชัดไม่ใช่น้อยเลยศาสนาเสื่อมแล้วศาสนาหมดแล้วนี่พอตัวเองพูดคำว่าศาสนาเสื่อมแล้วศาสนาหมดแล้วก็เลยพากันย่ายีศีขาบทใหญ่เลยเนี่ยนะยิ่งทำลายใหญ่ก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นนะ